เช้านี้ก็เล่าเรื่องหลวงพ่อเทียนต่อนะวันนี้ก็ครบวันที่ท่านลักสังขาร16ปีอาจารย์โกวิทนะ์เคยเล่าว่าช่วงที่หลวงพ่อเทียนมาสอนธรรมที่วัดชประทานนะตามการนิมนต์ของหลวงพ่อปัญญาก็มีวันหนึ่งเขามีการสนทนาธรรมแบบอภิปรายมากกว่าระหว่างศาสนา ก็มีทั้งพุทธคริสต์อิสลามฝ่ายอิสลามเนี่ยก็คือท่านทัดีประยูนประธานนิยกุลทัดีประยูนเนี่ก็เป็นสหายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสเพื่เราคงทราบอยู่แล้วว่าท่านอาจารย์พุทธทาสนี่ท่านส่งเสริมการสนทนาวิสาสะระหว่างศาสนาเพราะว่าปณิทานข้อหนึ่งของอาจารย์พุทธทาสคือการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา ข้อศาสนานะั่นที่จะพาผู้คนให้พ้นจากอำนาจของวัตถุนิยมได้ท่านพระเจ้าพุทธากับท่านทัดิประยู์ก็คุ้นเคยกันดีมากนะท่านทัดิประยูนก็เคยได้รับเชิญให้ไปแสดงธรรมที่สวนโมกอยู่หลายครั้งเดือนนี้คงจะมีบรรยากาศแบบนี้ได้ยากนะเพราะว่าความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ระหว่างศาสนามันก็มีมากขึ้นนะ แต่สมัยก่อนนะสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนี่มันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นท่านฮัจญประยูนก็มีความเข้าใจพุทธศาสนาดีวันที่ท่านได้ไปแสดงธรรมอภิปรายที่วัดชนหลวงพ่อเทียนก็นั่งฟังอยู่ห่างๆไกลๆก็มีประโยคนึงที่ฮัจญประยูนพูดขึ้นมาว่าเมื่อใดมีเมื่อใดมีพระอัลเลาะห์ก็ไม่มีฮัจญประยุน เมื่อใดมีขจีประยูนยก็ไม่มีพระอัลเลาะคนฟังก็งงนะแต่ว่าพอเสร็จการอภิปรายหลวงพ่อเทียนก็เดินตรงเข้ามาแล้วก็พูดกับขจีประยุนยว่าเห็นด้วยพูดถูกนะหลวงพ่อเทียนนี่รับรองนะคำพูดของขจีประยูนยเพราะว่าในในความ เพราะสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะถ้าพูดอย่างทัดเยื้อไปโยงคือว่าเมื่อใดถึงธรรมนะคนที่ถึงธรรมเนี่ยก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเป็นฉันเป็นนั่นเป็นนี่นะเมื่อใดที่รู้สึกว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อนั้นก็ไม่ถึงธรรมนะผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วนี่ก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวฉันเป็นนั่นเป็นนี่คือไม่มีตัวกูของกูนั่นแหละ นี่พูดอย่างท่านจ้าพุทธทาสนะซึ่งหลวงพ่อเทียนท่านก็เข้าใจเข้าถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะใครก็ตามที่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัวฉันเป็นนายกหรือเฉนเป็นพระภัศาลเนี่ยจะยังมีความสําคัญมม่หมายอย่างเงี้ยก็แสดงว่ายังไม่ถึงธรรมแต่ถ้าถึาถงธรรมแล้วนี่มันไม่มีความสําคัญแม่หมายเป็นอะไรเลยอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนใช้คําว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะคือมันไม่มีความสําคัญมม่หมายว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีความรู้สึกว่า ม, มีตัวกูของกู หลวงพ่อเทียนนี่เข้าใจนะที่ฮัดจีประยุนพูด ท, ทั้งที่ฮัดจีประยูนพูดในมุมของศาสนา islam แต่ว่าท่านเข้าใจคนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจว่าฮัดจีประยุนเนี่ยพูดอะไรนะแต่ว่าหลวงพ่อเทียนนี่ท่านก็ถึงแม้ว่าท่านมีการศึกษาน้อยนะในในเรื่องทางโลกนะเรื่องาศาสนา ร, ระหว่างศาสนาท่านก็มีความรู้น้อยนะแต่ว่าท่านเข้าใจแก่นนะของธรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่คนฟังไม่รู้เรื่องนี่หลวงพ่อเทียนนี่เห็นด้วยแล้วก็รับรองด้วยนะว่าพูดถูกนะอันนี้ก็สะท้อนเห็นความลึกซึ้งของหลวงพ่อเทียนแล้วก็ความใจกว้างก็คือว่าท่านไม่ได้รู้สึกว่าอิสลามนะมันจะห่างไกลาจากาธรรมะในพุทธศาสนาเลยถ้าว่าปฏิบัติได้เข้าถึงนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไปติดอยู่ที่รูปแบบนะติดอยู่ที่ถ้อยคําหรือว่าติดกว่านั้นกคือติดเรื่องพิธีกรรมนะ หลวงพ่เทียนท่านพยายามพาคนให้ออกจากความยึดติดถือมั่นในพิธีกรรมที่งมงายนี่เยอะมากนะอย่างที่พูดเมื่อเช้าเรื่องน้ำมนต์เรื่องไสยศาสตร์เรื่องสารพระภูมินี่ชาวพุทธจำนวนมากก็มีความเข้าใจฝังหัวฝังลึกนะจนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นมันกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงธรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยสอนหรือพูดหรือกระทาบางทีก็ คนไม่เข้าใจแปลกแตกต่างจากคนทั่วไปก็มีท่านเล่าว่าเคยเคยได้รับนิมนต์ให้สมัยที่ท่านไปแสดงธรรมที่เมืองลาวได้รับนิมนต์ให้ไปไปสวดมนต์ต่ออายุของของโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ของเจ้าภาพก็มีพระได้รับนิมนต์ไปสวดต่ออายุนี้หลายรูปทุกรูปเลยยกไว้หลวงพ่อเทียนเนี่ย สวดมนต์เสียงดังแต่หลวงพ่อเทียนนี่นิ่งเงียบนะไม่สวดเลยนะพอสวดเสร็จก็มีการถวายปัจจัยเทียทานเจ้าภาพนี้ไม่ถวายท่านนะถวายรูปอื่นหมดแต่ไม่ถวายท่านเพราเห็นว่าท่านไม่ออกแรงเลยนะไม่สวดอะไรไม่พูดอะไรเลยหลวงพ่อเทียนนั่นก็ไม่ว่าอะไรนะแต่พอเสร็จพิธีท่านเนี่ยท่านก็พูดกับเจ้าภาพนะว่าเนี่ยไอการสวดไอการต่ออายุเนี่ยนะที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่การนิมนต์พระมาสวดมนต์นะ แต่คือการที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยความเคารพด้วยความกตัญญูนะเคารพท่านตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่เสร็จแล้วก็ชวนนะชวนเจ้าภาพเนี่ยให้มากราบกราบแม่ของเขาโดยการกราบตามท่านนะท่านเนี่ยไปไปอยู่หน้าโยมที่เป็นแม่นะของเจ้าภาพแล้วก็กราบแล้วก็ชวนให้อ่าลูกๆ ก, กราบตากราบตามด้วย คนก็แตกตื่นกันใหญ่นะว่าโอ้พระมากราบโยมได้ยังไงนะหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ได้กราบอัตมาไม่ได้กราบโยมอัตมากราบตัวเองที่สามารถจะสอนให้คนเข้าใจว่าการต่อยุที่แท้เนี่ยมันคืออะไรนะท่านเรียกว่าไม่มีความถือเนื้อถือตัวเลยนะแม่จะแม้จะสอนโยมให้เข้าใจว่าการต่อยุคแม่ที่ดีเป็นอย่างไรนะท่านก็พร้อมที่จะกราบให้เขาดูให้เขาให้เขาทํานะ ตามไม่มีความถือตัวถือตนเท่าไหร่แล้วก็ไม่สนใจพิธีกรรมไม่สนใจขั้นนิยมด้วย <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการนะเป็นวิธีการสอนของหลวงพ่อเทียนนะคือไม่ได้สอนด้วยคําพูดนะท่านพูดน้อยพูดไม่มากนะแต่ว่าทําให้เป็นแบบอย่างหรือว่าทําในสิ่งที่มันกระตุ ก, ค ว, ก, ค, วกความรู้สึกของคนทําในสิ่งที่มันสวนกระแสความรู้สึกของคน ก็เลยมีคนขนานนา ม, า ม, ามนท่านสอนเหมือ น, นอาจารย์เซนนะสอนเหมือนเซนเลยนะเพราะว่าเซนนี่เขาใช้คําพูดน้อยแต่ใช้เขาใช้การกระทําหรือเขาใช้วิธีการที่กระตุกความรู้สึกกระตุกความลึกคิดของผู้คนนะประเภทว่าบางทีเหมือนกับฉุดพรมฉุดพรมให้คนที่ยืนอยู่นบนพรมนี่นะกระแทกพื้นก็นมีนะ อันนี้เรียกว่าเบรกแบบหนักๆเลยก็มีอันนี้เป็นลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเทียนในพระสมัยที่ท่านยังยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่นะแต่พอท่านชราแล้วท่านก็ใช้วิธีการแบบนี้น้อยนะท่านก็ใช้วิธีการเทศการสอนเหมือนปกติจนบางคนบางคนพูดว่าเนี่ยตอนที่หลวงพ่อเทียนเทศน้อยสอนน้อยนี่คนเข้าใจธรรมเยอะแต่พอท่านสอนมากพูดมากนี่คนเข้าใจธรรมะน้อยอันนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะ แต่คงไม่เกี่ยวกับการเทศการสอนท่าแต่เกี่ยวกับคนกลุ่มคนที่มาศึกษาธรรมจากท่านสมัยก่อนคนที่ศึกษาธรรมจากท่านเป็นชาวบ้านนะก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ได้คิดซับซ้อนอะไรก็จะเข้าใจหลวงพ่อเทียนผู้ดได้ง่ายเพราะว่าปฏิบัติแต่ตอนหลังคนที่มาเรียนกับท่านนี่เป็นพวกคนในเมืองมีการศึกษาเนี่ยพวกนี้เป็นคนที่ความคิดซับซ้อนนะก็เลยเข้าใจธรรมะได้ยากนะปฏิบัติธรรมก็มีแต่ความสงสัยนะมีแต่ความคิด มันก็เลยเป็นอุปสรรคขัดขวางให้เข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยได้ได้ได้ยากหรือว่าช้านะาแล้วก็เตรียมรับพร